ความสุขที่มนุษย์เราแสวงหากันมีความสุขอยู่สองลักษณะด้วยกันคือหนึ่งความสุขของผู้ครองเรือนและสองความสุขของนักบวชนี่คือวิธีที่มนุษย์เราหาความสุขกันหาได้สองวิธี ถ้าเป็นผู้คองเรือนมีครอบครัวมีสามีมีภรรยามีบุตรมีทิดาก็จำเป็นจะต้องหาความสุขแบบผู้คลองเรือนผู้ที่ออกบวชได้ผู้ที่ไม่ต้องมีครอบครัวไม่ต้องมีบุตรไม่มีทิดาไม่มีสามีไม่มีภรรยา ก็จะหาความสุขแบบนักปวดความสุขสองแบบนี้ไม่เหมือนกันความสุขของผู้ครองเรือนนี้เกิดขึ้นได้ด้วยสี่วิธีด้วยกันคือหนึ่งคือการได้ทรัพย์หรือการมีทรัพย์สองการได้ใช้ทรัพย์ สามการไม่มีหนี้สินและสี่การกระทำที่ไม่เกิดโทษถ้าเป็นคารวาสเป็นผู้คองเรือนถ้าอยากจะมีความสุขก็ต้องมีความสุขสี่ประการนี้ต้องกระทำสี่ประการนี้ถึงจะทำให้เกิดความสุขขึ้นมา การที่จะทำให้มีทรัพย์ข้อที่หนึ่งการมีทรัพย์เป็นความสุขของผู้คองเลือนการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์นี้ก็เกิดได้สองวิธีวิธีที่ไม่เกิดโทษกับวิธีที่เกิดโทษวิธีที่เกิดโทษก็ต้องอย่าทำ หาทรัพย์โดยวิธีเกิดโทษมันก็จะไปติดคุกติดตารางได้คำว่าโทษก็คือมีโทษให้แก่ผู้หาทรัพย์แบบวิธีที่ไม่ถูกต้องนั่นเองคือหาทรัพย์โดยวิธีผิดกฎหมายอย่างนี้อยากก็ทําถ้าไม่อยากจะมีทุกข์ถ้าอยากจะมีสุขต้องมีทรัพย์แบบไม่มีโทษ ก็คือต้องทำมาหาเกินโดวยวิธีสุจริตถ้าเราไม่ได้มีบุญเก่ามาถ้ามีบุญเก่ามาก็อาจจะได้มาเกิดบนกองเงินกองทองอันนี้เรียกว่าการมีทรัพย์โดยอาศัยบุญที่ได้ทำมาในอดีตชาติคนบางคนทำบุญมากในอดีตชาติ พอมาเกิดในชาตินี้ก็มาเกิดบนกองเงินกองทองเลยเช่นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเนี่ยพระราชกุมารผู้ที่จะไปตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปตอนที่ท่านมาเกิดท่านก็มาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่ท่านจะมาเกิดชาติก่อนท่านก็ไปเป็นพระเวชสันดรนเป็นพระเวชสันดรก็ สร้างทานบารมีไว้อย่างมากมายทำบุญทำทานแบบสุดๆพอท่านตายไปจิตของท่านก็ไปเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์แล้วพอบุญที่ส่งให้ท่านไปอยู่ในสวรรค์หมดลงท่านก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถราชกุมาร ราชโอรสของพระมาหากษัตริย์ที่มีทรัพย์สมบัติมากมายกายกองมีประสาสามฤดูให้เจ้าชายสิทธัตถะได้ใช้อยู่อาศัยมีบริษัทบริวารมาคอยรับใช้มาคอยตอบสนองความต้องการต่างๆของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนี่เรียกว่าการมีทรัพย์ โดยอาศัยบุญเก่าแต่บางคนไม่มีบุญเก่ามาเกิดแล้วก็ไม่ได้เกิดบนกองเงินกองทองมาเกิดอยู่บนครอบครัวที่ไม่ร่ำรวยหรือยากจนก็ต้องหาทรัพย์ด้วยวิธีที่ถูกต้องต้องพยายาม ศึกษาถ้ามีโอกาสได้เรียนหนังสือตอนเป็นเด็กก็เรียนหนังสือขยันหมั่นเพียรไปเรียนหนังสือไปหาวิชาความรู้เพื่อที่จะได้เอาวิชาความรู้นี้มาเลี้ยงชีพโดยสุจริตประกอบสัมมาชีพไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมถ้าขยันทามาหากิน เก็บเงินเก็บทองรู้จักอดรู้จักออมไม่ใช้แบบสูรุย่ยสูร่ายไม่ใช้แบบฟุ่มเฟยก็สามารถที่จะมีทรัพย์ขึ้นมาเป็นเศรษฐีได้นี่คือการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์โดยวิธีที่สุจริตอย่าไปมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์มาโดยวิธีทุจริต เพราะจะเสี่ยงต่อการไปรับโทษนั่นเองถ้าหาทรัพย์โดยวิธีผิดกฎหมายก็ไปดูที่คุกตารางเป็นตัวอย่างนั่นคือที่ไปของผู้ที่ถูกจับได้ทำผิดกฎหมายหาทรัพย์โดยวิธีผิดกฎหมายายาเสพติดคาระเวนีธ ร, รอาชีพที่ทุจริตคอรัปชันช่อโกง อะไรต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นการมีทรัพย์แบบที่เกิดโทษด้วยการกระทาที่เกิดโทษอันนี้อยากทาถ้าไม่อยากจะมีทุกข์มีโทษตามมานอกจากผิดกฎหมายแล้วผิดศีลธรรมก็มีโทษตามมาถึงแม้ศีลถึงแม้กฎหมายจะไม่จับไปลงโทษแต่ศีลธรรมคือกฎแห่งกรรม ก็ยังมีโทษให้แก่ผู้กระทําผิดศีลธรรมเช่นอาชีพบางอย่างไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดศีลธรรมอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายหรือถ้าจะฆ่าคนก็ต้องเป็นอาหารเป็นตำรวจเนีหรือเป็นเพชฌฆาตอาชีพเหล่านี้ไม่ถือไม่ถือว่าผิดกฎหมายแต่ผิดศีลธรรม ยังมีโทษตามมาแต่ไม่ใช่เป็นคุกตารางแต่เป็นอบายอบายที่คือที่ไปเกิดของผู้ที่ได้ทําบาปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจผู้กระทําบาปนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ต้องไปรับผลของบาปที่ตนทําไว้ไปเกิดในอบายมีอยู่สี่ สี่ช่องด้วยกันสี่รูปแบบด้วยกันคือไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสุรกายบ้างไปอยู่ในนรกบ้างนนี่คือการกระทาที่เกิดโทษการหาทรัพย์แบบที่เกิดโทษอย่าหาทรัพย์แบบนี้อย่ามีทรัพย์แบบนี้ นี่คือวิธีแรกของผู้ที่คองเรือนของผู้ที่ยังต้องใช้ทรัพย์เป็นเหตุปัจจัยที่จะสร้างความสุขให้กับตนขอให้มีทรัพย์โดยวิธีที่ไม่เกิดโทษทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุดจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลละธรรม นี่คือความสุขข้อที่หนึ่งของผู้คลองเรือนความสุขข้อที่สองของผู้ครองเรือนคือเมื่อมีทรัพย์แล้วก็ต้องใช้ทรัพย์ถึงจะมีความสุขถ้ามีความสุขจากการได้ทรัพย์แล้วแต่ไม่ใช้ทรัพย์ก็ได้แค่ความสุขแค่เพียงแต่มีทรัพย์ไว้เท่านั้นแต่ถ้าอยากจะมีความสุขเพิ่มมากกว่าความสุขที่ได้จากการมีทรัพย์ก็ต้องใช้ทรัพย์น การใช้ทรั์ก็มีสองวิธีเหมือนกันการใช้ทรั์ที่ทำให้เกิดประโยชน์ไม่เกิดโทษกับการใช้รั์ที่ทำให้เกิดโทษก็ต้องอย่าไปใช้ทรั์แบบที่ทำให้เกิดโทษการใช้รับแบบที่เกิดโทษใช้อย่างไรก็ใช้กับอบายามุขต่างๆใช้กับการดื่มสุรายาเมา ใช้กับการเล่นการพนันใช้กับการเที่ยวเตรใช้กับการซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จำเป็นต่างๆนี่เป็นการใช้เงินทองที่เกิดโทษเพราะว่ามันจะทำให้เงินทองหมดไปดัอย่างรวดเร็วเพราะการใช้เงินทองกับสิ่งเหล่านี้มันไม่มีขอบไม่มีฝั่ง พอลองได้ใช้แล้วมันอยากจะใช้แบบนี้ไปเรื่อยๆพอดื่มสุราแล้วก็อยากจะดื่มไปเรื่อยๆเล่นการพนันก็อยากจะเล่นไปเรื่อยๆเที่ยวเตะก็จะเที่ยวไปเรื่อยการใช้ทรัพย์แบบนี้ไม่ทำให้เกิดรายได้มีแต่ทำให้เกิดรายจ่ายแล้วถ้ามัวแต่ใช้ทรัพย์ไม่ไปหาทรัพย์ ต่อไปทรัพย์ก็จะหมดได้นะก็จะกลับมายากจนไดนะ้นี่คือการใช้ทรัพย์ที่ทำให้เกิดโทษขึ้นมาไม่ควรใช้ทรัพย์แบบนีนะ้การใช้ทรัพย์ที่เกิดประโยชน์เกิดสุขก็คือการใช้ทรัพย์กับสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพนะเราหาทรัพย์มาได้นี้ส่วนหนึ่งเราก็ต้องเอามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง การใช้ทรัพย์กับปัจจัยสี่ก็ถือว่าเป็นการใช้ทรัพย์ที่เกิดสุขเกิดประโยชน์ร่างกายไม่ขาดแค่นอาหารถ้าใช้ถ้าใช้ทรัพย์ซื้ออาหารร่างกายไม่ขาดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มไม่ขาดที่อยู่อาศัยไม่ขาดยารักษาโรคใช้ทรัพย์แบบนี้ก็จะทำให้มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ การใช้ทรัพย์ที่จะทำให้เกิดโทษก็คือใช้แบบฟุ่มเฟือยใช้แบบเกินความจำเป็นถึงแม้ว่าจะเป็นปัจจัยสีก็ต้องระวังอย่าให้มันกลายเป็นการใช้ที่ทำให้เกิดโทษขึ้นมาได้คือซื้อของแบบหรูหลาของฟุ่มเฟือยของแพงแ อาหารเช่นอาหารมีหลากหลายระดับราคาด้วยกันมื้อละร้อยก็มีหรือมื้อละห้าร้อยก็มีมื้อละพันมื้อละหมื่นก็มีอันนี้ต้องรู้จักใช้ว่าร่างกายมันต้องการอาหารระดับไหนจริงๆร่างกายมันต้องการอาหารที่จะทำให้มันอิ่มท้องที่จะทำให้มันเจ็บไข้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ดังนั้นเวลาซื้ออาหารให้กับร่างกายก็ต้องดูว่าราคาไหนเหมาะสมอย่าไปติดกับวิธีที่เขาทำอาหารมาขายเพราะอาหารนี้มีหลายวิธีหลายแบบด้วยกันกินข้างถนนก็แบบหนึ่งกินในร้านอาหารก็แบบหนึ่ง กินตามสถานที่หรูหราเช่นโรงแรมพัตตาหารพัตนาคารที่มีชื่อมีเสียงมีมีติดดาวถ้าไปกินอาหารแบบนั้นราคามันก็จะแพงขึ้นไปตามลำดับแต่ผลประโยชน์ที่ได้แก่ร่างกายก็เท่าเดิมคือร่างกายก็ได้อาหารไว้กำจัดความหิว และป้องกันไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยการใช้ปัจจัยสี่ก็ต้องใช้แบบเศรษฐกิจพอเพียงคือพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายอย่าไปหลงไหลกับของที่มีราคาแพงๆมันไม่ได้ทำประโยชน์ให้มากกว่าของที่เป็นของราคาถูกเป็นประโยชน์เหมือนกัน เสื้อตัวหนึ่งนี่มีหลายราคาด้วยกันราคาร้อยบาทก็มีห้าร้อยก็มีห้าพันก็มีห้าหมืนก็มีมันก็เป็นเสื้อเหมือนกันเป็นเสื้อที่ใช้วัดไว้ปกปิดรักษาร่างกายเท่านั้นเองต้องการภัยที่จะมากระทบกับร่างกายนี่คือการใช้ ใช้เงินทองที่เกิดประโยชน์ที่ทําให้เกิดสุขและไม่เกิดโทษต้องระมัดระวังอย่าไปใช้เงินทองแบบฟุ่มเฟือยแบบหรูหราถ้าจะทําใช้บ้างก็ได้นานๆหนนเป็นวันสําคัญสำคัญวันเกิดเอามันสักครั้งหนึ่งวันครบรอบอะไรก็เอามันสักครั้งหนึ่งแต่อย่าทําเป็นปกติ เพราะมันจะสูญเสียเงินทองมากแล้วมันอาจจะทำให้เงินทองไม่พอใช้ได้ที่ให้ใช้ประหยัดนี้กลัวเดี๋ยวเงินจะไม่พอใช้ถ้ามีเงินแบบน้าก๊อกก็เอาเลยจะใช้มันยังไงเหมือนเราเปิดน้าก๊อกนี่บางทีเราเปิดทิ้งกันไว้แต่เงินทองมันไม่เหมือนน้าก๊อกเนะเปิดทิ้งไว้เดี๋ยวมันหมดนะมันจะไม่มีไหลมา ฉันต้องมองถึงวันพรุ่งนี้วันข้างหน้าเราไม่ได้อยู่เพียงวันนี้วันเดียวถ้าเราใช้เงินทองทั้งหมดที่เรามีอยู่ให้กับวันนี้เดี๋ยวพวกนี้ก็อดกินอดอยากขาดแคลนได้ น, นี่ก็คือการใช้เงินที่ทำให้เกิดความสุขหรือเกิดความทุกข์ต้องใช้เงินแบบวิธีที่ไม่เกิดโทษต้องใช้แบบประหยัดใช้ด้วยเหตุด้วยผล ไม่ให้ขี้เหนียวแต่ก็ไม่ไม่ให้ขี้เหนียวแบบปู่โสมเผ้าทรัพย์บางคนนี่เสียหัวเงินเสียดายเงินมีเงินเป็นเศรษฐีแต่กินอาหารนี้แบบขอทา น, นกินแบบอดอดอยากอยาอันนี้ก็ไม่ควรทรัพย์มีไว้รับใช้เราดูแลเราเลี้ยงดูเราให้เราอยู่อย่างมีความสุขเราก็ต้องรู้จักใช้มันให้เกิดประโยชน์กับเรา อันนี้ก็คือประโยชน์ทางร่างกายนอกจากประโยชน์ทางร่างกายแล้วทรัพย์เหล่านี้ยังสามารถมาสร้างประโยชน์ให้แก่จิตใจของเราได้อีกด้วยจิตใจเราก็ต้องการความสุขเหมือนกันความสุขของจิตใจที่เกิดจากการใช้ทรัพย์ก็คือการเอาไปทําบุญนั่นเองะ ถ้าเราอยากจะมีความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้จากการซื้อปัจจัยสี่มาเลี้ยงร่างกายของเราเราก็ต้องเพิ่มความสุขทางใจความสุขทางร่างกายมันเหมือนน้ําตุ่มหนึ่งน้ําตุ่มนี้เราใส่เต็มแล้วจะใส่เพิ่มเข้าไปเท่าไหร่มันก็ได้แค่ตุ่มนั้นน้ําได้แค่ตุ่ม ถ้าเรามีปัจจัยสี่พอเพียงต่อการอยู่ของร่างกายแล้วไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อดอยากขาดแคลนไม่หิวโหวยก็ถือว่าประโยชน์ทางร่างกายนี้ได้แค่นี้แหละได้เต็มที่แค่นี้ถ้าอยากจะได้ประโยชน์หรือได้ความสุขเพิ่มขึ้นอีกก็ต้องไปเติมอีกต่มหนึ่งตุ่มนี้เรียกว่าตุ่มตุ่มของจิตใจ มีตุ่มของร่างกายกับตุ่มของจิตใจที่เราจะสามารถใส่ความสุขเข้าไปได้เะฉะนั้นถ้าตุ่มของร่างกายเต็มแล้วทีนี้นก็มาใส่ตุ่มของจิตใจอย่าปล่อยให้ตุ่มของจิตใจนี่แห้งใจแฟบใจไม่มีความสุขเอาเงินที่เรามีใช้นี้ถ้ามีใช้ที่เอาไปใช้ทําบุญได้ก็เอาไปใช้ทําบุญดีกว่าเอาไปใช้กับ กับความอยากต่างๆเช่นใช้กับอบายามุกเนี่ยใช้กับการไปเที่ยวไปดื่มไปเล่นไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆอันนั้นเป็นการใช้เงินที่ทำให้เกิดโทษเกิดทุกข์ตามมาให้เอาเงินส่วนนั้นมาใช้กับการทำบุญการเงินที่เราจะมาทำบุญบุญนี้จะทำให้ใจเรามีความสุขเวลาที่เราได้ทำบุญ อิ่มกายแล้วยังจะอิ่มใจด้วยนะแล้วยังมีประโยชน์คือตายไปบุญที่เราทำนี้ก็จะเป็นเงินที่เราใช้ต่อไปในโลกทิพย์เนี่ยคนที่ตายไปแล้วไปเป็นเทวดาอย่างพระเวชสันดร น, นี่ก็เพราะบุญที่ท่านได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ตายไปก็ได้ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงหรือชั้นดุสิตเนี่ย แล้วพอลงจากสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีเงินมารอรับอีกนะนี่คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำบุญเอาเงินไปทำบุญกันไม่สูญหายการทำบุญนี้ไม่ได้เป็นการสูญเสียเงินทองแต่เป็นการหนึ่งให้อาหารแก่จิตใจสองเป็นเงินที่จิตใจสามารถเอาติดตัวไปได้ เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเอาไปใช้ในโลกทิพย์ได้แล้วเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เงินที่ทำบุญก็เหมือนเงินที่ฝากไว้ในธนาคารพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเบิกเงินที่เราฝากไว้ได้มาเกิดบนกองเงินกองทองต่อไปนี่คือการใช้เงินที่มีทำให้เกิดความสุขขึ้นมา ความสุขที่เกิดจากการใช้เงินแล้วไม่เกิดโทษความสุขจากการที่เกิดจากการาใช้เงินอีกแบบหนึ่งก็คือใช้ไว้สําหรับใช้วันใช้ในอนาคตคือเก็บไว้ในธนาคารเก็บออมรักษาไว้เพราะไม่มีใครรู้อนาคตว่าอะไรจะเกิดขึ้น ก็ควรที่จะมีเงินมีซัมีหลักทรับมีอะไรไว้ก็ใช้เงินซื้อหลักทรัพย์ต่างๆก็ได้ซื้อที่ดินซื้อตึกซื้อทรัพย์สินอซื้อหุ้นที่มีความมั่นคงก็ได้มีปันผลที่ดีซื้อธนบัตรรัฐบาลซื้อเพชรซื้อพลอยซื้อทองคําอ อันนี้เป็นการลงทุนเป็นการาเก็บรักษาเงินทองไว้สำหรับอนาคตเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเงินทองจะมาอยู่แบบปัจจุบันหรือไม่ไม่มีใครรู้เศรษ ฐ, ฐกิจจะเจริญหรือจะตกต่ำไม่มีใครรู้บ้านเมืองจะสงบหรือวุ่นวายหรือไม่ไม่มีใครรู้เราก็ต้องใช้เงินเพื่ออนาคตนะ ใช้เงินด้วยการเอาไปซื้อหลักทรัพย์ต่างๆซื้อทรัพย์สินต่างๆหรือเก็บไว้ในธนาคารซื้อพันธบัตรอะไรต่างๆเหล่านี้เผื่อไว้เวลาที่เราไม่สามารถที่จะหาะไรายได้เราก็จะได้อาศัยหลักทรัพย์ต่างๆที่เราได้ซื้อเก็บเอาไว้มาชดมาใช้ต่อได้นะ นี่ก็คือการใช้ใช้ทรัพย์ที่จะทำให้เกิดความสุขใช้ทรัพย์เพื่อปัจจัยสี่ใช้ทรัพย์เพื่อทำบุญใช้ทรัพย์เพื่อลงทุนใช้ทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันอนาคตถ้าเรามีทรัพย์ที่จะใช้ให้ใช้แบบนี้แต่ห้ามใช้กับการไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหราของแพ ง, แพง ห้ามใช้กับการเดื่มสุรายามเมาห้ามใช้กับการเล่นการพนันห้ามใช้กับการเที่ยวเตะนี่เป็นการใช้เงินที่ทำให้เกิดโทษเงินจะหมดง่ายหมดเร็วดาจะตกทุกข์ยากลาบากต่อไป น, นี่คือความสุขข้อที่สองของผู้ครองเรือนคือการรู้จักใช้เงินที่หามาได้นั่นเอง เมื่อมีเงินแล้วก็ต้องรู้จักใช้เงินให้เกิดประโยชน์เกิดสุขไม่ใช่มีเงินแล้วก็กลัวหดกลัวหายไม่กล้าใช้เลยเก็บไว้อย่างเดียวอยู่แบบขอทานอันนี้ก็ไม่เกิดไม่ฉลาดไม่ได้รับประโยชน์สุขจากการมีทรัพย์นะมีทรัพย์ก็ต้องใช้ทรัพย์แต่ใช้ให้เกิดสุขให้เกิดประโยชน์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยนี่คือความสุขข้อที่สองของผู้กองเรือนความสุขข้อที่สามก็คือการไม่มีหนี้สินเพราะการมีหนี้สินนี่มันไม่มีสุขเลยลองถามคนมีหนี้สินดูว่ามีความสุขไหมทุกวันนี้คิดถึงแต่ตัวเลขดอกมันขึ้นไปเรื่อยๆลองไปกู้เงินแบบนอกระบบยิ่งร้ายกาจใหญ่ ขึ้นเอปีหนึ่งนี่ขึ้นทบเท่าตัวเอถ้าทางธนาคารก็ยังไม่ไม่หนักนะักร้อยละสิบต่อปีเอแต่ถ้าไปกู้เงินนอกระบบนี่มักจะร้อยละร้อยต่อปีเขาเรียกว่าดอกเบี้ยร้อยละสิบสองบาทแต่สิบสองนี่หมายถึงต่อเดือน ปีหนึ่งก็ร้อยกว่า อ, อ, อันนี้คือการไม่มีสินเกิดจากอะไรเลยก็เกิดจากการรู้จักหาเงินรู้จักใช้เงินนั่นเองเออแล้วก็จะทําให้เราไม่มีหนี้สินได้แต่ถ้าเราหาเงินก็หาเงินได้น้อยแล้วก็ไม่รู้จักใช้เงินแบบประหยัดใช้มากกว่าที่หามาได้ ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาชดใช้ในส่วนที่ขาดถ้ากู้หนี้มามากๆเขาเดี๋ยวก็ใช้ไม่ได้ก็อาจจะถูกเขาฟอ้องร้องทำให้ล้มละลายได้เป็นคนที่ไม่สามารถไปทำธุรกิจทำธุรกรรมทางการเงินได้เพราะถือว่าไม่มีเครดิตนะนี่คือข้อที่สาม อย่าไปมีหนี้ถ้าเงินไม่พอใช้ต้องลดรายจ่ายอย่าไปลดอย่าไปเพิ่มรายร า, ายได้ด้วยการไปกู้หนี้ยืมสินมาอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีสร้างความสุขแต่จะเป็นวิธีทำให้เกิดความทุกข์ใจมากขึ้นวิธีที่ไม่มีหนี้ก็ต้องให้มีรายจ่ายมันน้อยกว่ารายรับเสมอแะรับรองได้ว่าจะไม่มีหนี้สิน ที่มีสิมีหนี้สินก็เพราะว่ารายจ่ายมันมากกว่ารายรับดังนั้นเราต้องคอยทำบัญชีอยู่เรื่อยๆอไอ้บัตรเครดิตเนี่ยตัวรายการเวลาจ่ายนี่มันง่ายเหลือเกิน เ, เวลาใช้มันง่ายแต่เวลาพอเป็นยอดมันพุ่งขึ้นมานี่ถ้าไม่คอยควบคุมพอมาดูอีกทีหนึ่งมันมากกว่ารายรับของเราเสียแล้ว แทนถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็อย่าไปใช้บัตรเครดิตเราต้องรู้สถานภาพการเงินของเราทุกวันเลยว่าตอนนี้เราติดบวกหรือติดลบเนี่ยถ้าติดลบนี่ต้องรีบค้นหาวิธีแก้ก็มีสองวิธีต้องหาวิธีเพิ่มรายได้ถ้าเพิ่มรายได้ไม่ได้ก็ต้องหาวิธีลดรายจ่าย การจะลดรายจ่ายก็ต้องมาเรียงลำดับความสาคัญของรายจ่ายต่างๆว่าอันไหนสัมพันธ์อันไหนจําเป็นอันไหนไม่จําเป็นเรื่องปัจจัยสี่จาเป็นอาหารจําเป็นเครื่องนุ่งหม่มตอนนี้มีพอแล้วไม่จําเป็นต้องซื้อก็ตัดไปที่อยู่อาศัยก็ต้องจ่ายค่าเช่าหรือผ่อนบ้าน อ, อันนี้ก็ต้องจ่ายไปค่าน้ำค่าไฟอันนี้จาเป็นก็ต้องจ่ายไป ยารักษาโรคนึกซื้อประกัน อ, อที่จะเวลาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้มีประกันจ่ายค่ารักษาโรคให้อันนี้จําเป็นต้องจ่ายก็ต้องจ่ายไปอ อ, อันไหนที่ไม่จําเป็นตอนนี้ตัดไปก่อนออถ้าไป อ, อมีเคเบิลมีรายจ่ายเคเบิลก็ตัดไปก่อนเ อ, อมีจ่ายรายจ่ายทั้งอินเทอร์เน็ตก็ตัดไปก่อนเอ อะไรที่เป็นรายจ่ายเป็นของฟุ่มเฟือยของที่ยังไม่มีมันเราก็อยู่ไดเ้เราต้องตัดมันไปก่อนอตัดพวกบันเทิงมหอระศพต่างๆไปก่อนเพราะของพวกนี้ไม่มีก็ไม่ตายอาของฟรีก็มีดูดูของฟรีไปก่อนก็ได้ฟังของฟรีไปก่อนก็ไดอ้อย่าไปดูของที่ต้องเสียเงินจ่ายเป็นรายเดือนรายปีไป นี่คือวิธีที่จะทำให้เรานี้จะไม่มีหนี้สินต้องรู้จักตัดรายจ่ายลดรายจ่ายลงเวลาที่รายจ่ายมันมากกว่ารายได้ยอมอดทนเอาหน่อยยอมอดอยากเอาหน่อยดีกว่าต้องมากินไม่ได้นอนไม่หลับกับหนี้สินที่จะต้องจ่าย นี่คือความสุขของผู้ที่คองเรือนเป็นวิธีที่ผู้คองเรือนจะหากันเพราะไม่รู้จักวิธีหาความสุขแบบนักบวชถ้าไม่ได้เป็นผู้คองเรือนถ้าออกบวชได้วิธีหาความสุขของนักบวชนี้ก็จะไม่เหมือนกับผู้คองเรือน พราะนักบวชจะไม่ใช้เงินทองเป็นวิเครื่องมือหาความสุขผู้ที่มาบวชเป็นพระนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าห้ามเอาเงินติดตัวมามาบวชนี้ไม่ต้องใช้เงินการหาความสุขแบบนักบวชนี้ต้องใช้การปฏิบัติธรรมเพื่อทำให้ใจสงบความสงบนี่แหละคือความสุขของใจของผู้บวชของนักบวชกัน นักบวชนี่มาหาความสุขทางใจมาหาความสงบไม่ได้มาหาทรัพย์สินเหมือนกับคารวดถ้าบวชแล้วมาหาทรัพม์ม า, าทรัพย์สินมาหาอะไรต่างๆก็ถือว่าไม่ได้เป็นนักบวชนะถึงแม้ว่าจะมีสั ญ, ญลักษณ์ของนักบวชคือกศรศีะนุงเหลืองหอมเหลืองแต่วันๆหนึ่งนี่ ไปคอยรับกิจที่มีรายรายรับมีเงินทองมาไปรับงานบุญบังสังสวดนี่เพื่อไปรับเงินทองมาเวลาได้เงินทองมาก็เอาไปซื้อของที่อยากซื้อเอาไปเที่ยวตามที่ต่างๆจ่ายค่ารถค่าเรือบินสมัยนี้ท่านไปเที่ยวกันโดยการอ้างว่าท่านไปเป็นธรรมทูต เป็นธรรมทูตเดินทางแต่ความจริงไปเที่ยวมากกว่าถ้าเป็นธรรมทูตให้เขานิ ม, มนต์ไปให้เขามาเชิญไปไม่ต้องไปเองแล้วเขาก็จะจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆให้ไม่ต้องไปคอยนั่งสวดนู่นสวดนี่ไปรับบุญงานบุญบังสังสว่วน งานบุญบางสังสว่วนี้ทุกงานรับประกันได้ว่าจะต้องมีซองใส่ต้องมีเงินใส่ซองมาถ้าเป็นนักบวชจริงๆนักบวชที่ต้องการความสงบนี้ไม่รู้จะเอาเงินทองไปทำอะไรเงินทองนี้ไม่สามารถทำให้ใจสงบได้นอกจากทำให้ใจไม่สงบแล้วกลับทำให้ใจวุ่นได้วุ่นวายได้เวลาได้ไม่พอก็วุ่นวาย เวลาได้มากก็วุ่นวายกับการเอาไปใช้ก็เลยไม่ก็เลยไม่ต่างจากการเป็นคารวาดผู้ของเลือนผู้ที่มาบวชจริงๆผู้ที่ต้องการแสวงหาความสุขของนักบวชนี้ต้องปฏิบัติทรรมที่เรียกว่าไตรสิกขาไตรสิกขาสิกขาก็คือศึกษาคำว่าสิกขานี่มาจากคำภาษาบาลี ถ้าสรรสกฤจเขาเรียกว่าศึกษาเราก็ใช้คําว่าศึกษานี่คือการร่ำเรียนนั่นเองให้มาร่ำเรียนไ ต, ตศึกษาสามวิชาด้วยกันศึกษาสามวิชาคือศีลสมาธิปัญญานี่คือเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขสำหรับนัก บ, บวชนัก บ, บวชไม่ต้องไปทำมาหากิน มีเวลาว่างอยู่ทั้งวันมีเวลาที่จะมาศึกษามาปฏิบัติใจศึกขาได้อย่างเต็มที่นี่คือหน้าที่ของนักบวชงานของนักบวชหรือวิธีหาความสุขของนักบวชต้องหาด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาขั้นต้นก็ต้องไปศึกษาก่อนว่าศีลมีอะไรบ้างสมาธิมีอะไรบ้าง ทำอย่างไรถึงทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาปัญญามีอะไรบ้างทำอย่างไรถึงทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาต้องศึกษาก่อนน่่มเรียนก่อนการนั่มเรียนธรรมะนี่เราเรียกว่าปริยัติธรรมเนี่ยทางศาสนานี่แบ่งไว้สามลำดับด้วยกันในการที่จะหาความสุขจากความสงบได้ ลำดับแรกนี้ต้องศึกษาเรียกว่าปริยัติธรรมศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญาเมื่อศึกษาแล้วรู้แล้วว่าต้องสร้างศีลขึ้นมาต้องสร้างสมาธิขึ้นมาต้องสร้างปัญญาขึ้นมารู้แล้วว่าวิธีสร้างศีลทำอย่างไรสร้างสมาธิทำอย่างไรสร้างปัญญาทำอย่างไรขั้นต่อไปก็ต้องเอาไปปฏิบัติเนี่ย ขั้นแรกเรียกว่าปริยัติธรรมขั้นที่สองก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาศีลของพระก็สองร้อยยิบเจ็ดข้อต้องรักษาให้ครบไม่ให้ขาดสมาธิก็ต้องทำจิตให้สงบปัญญาก็ต้องสอนให้ใจเห็นมีดวงตาเห็นธรรม เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไตรลักษณ์ในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพื่อที่จะได้ไม่ไปแสวงหาเหมือนการแสวงหาสิ่งต่างๆในโลกนี้เท่ากับการไปหาความทุกข์ไม่ใช่การเป็นการไปหาความสุขพอปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ก็จะบรรลุธรรมขึ้นมาเรียกว่าปฏิเวนท ปัติเวคือการบรรลุธรรมก็คือการบรรลุถึงความสงบของธรรมขั้นต่างๆนั่นเองธรรมที่จะให้ความสงบมีอยู่สี่ขั้นด้วยกันคือโสดาบันสกิดาคามีอนาคามีอารหัน์นี่เป็นความสงบระดับต่างๆกันเป็นความสงบชนิดถาวรไม่เหมือนกับความสงบที่ได้จากสมาธิยังเป็นความสงบชั่วคราวอยู่ แต่ถ้าได้ความสงบของพระโสดาบันแล้วก็จะเป็นโสดาบันไปจะมีความสงบของโสดาบันไปเรื่อยๆแต่ยังไม่มีความสงบของของระดับที่สูงกว่าต้องปฏิบัติเพิ่มจนจะได้ความสงบของระดับที่สูงกว่าได้พอได้ระดับโสดาบันก็ปฏิบัติขั้นต่อไปก็จะได้ขั้นของสกิทาคามี ปฏิบัติต่อไปก็จะได้ขั้นของอนาคามีปฏิบัติต่อไปก็จะได้ของขั้นอรหรันพอได้ขั้น อ, าหา ร, อรหันอรหันแล้วก็ถือว่าได้ถึงขั้นสูงสุดแล้วได้ความสุขเต็มร้อยแล้วไม่มีความสุขที่จะได้มากไปกว่านี้แล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติอีกต่อไปเสร็จภารกิจในการแสวงหาความสุขของนักบวชได้ ความสุขระดับที่สี่นี้จะเป็นความสุขที่เต็มร้อยและถาวรคือไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดนี่คือความสุขของพระพุทธเจ้าและพระสาวกพระอรหันตสาวกทั้งหลายถึงแม้พุทธเจ้าจะจากพวกเราไปต้้งสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วความสุขในใจของพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่จนถึงบัดนี้ไม่ได้สูญหายไปไหน เพียงแต่ว่าเราไม่รู้กันทั้งนั้นเองแต่ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วจะรู้จะรู้ว่าความสุขระดับต่างๆนี้พอได้เข้ามาอยู่ในใจแล้วมันจะไม่เสื่อมหายไปจะอยู่ไปตลอดอนันตการไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือความสุขระดับของนับความสุขของนักบวชนักบวชไม่ใช้เงินทองซื้อความสุขกัน ถ้านักบวชยังใช้เงินทองซื้อความสุขอยู่ก็ถือว่าเป็นนักบวชปลอมไม่ใช่นักบวชจริงนักบวชจริงเขาไม่ใช้เงินทองเงินเขาใช้ศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นเรื่องของความสุขที่มนุษย์เราแสวงหากันมีสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่ เปรียบเทียบกับขนวัวเอวัวในตัววัวนี่จะมีขนมากกว่าเขาวัวเอเขานี้จะมีประมาณสองเขาต่อหนึ่งตัวแต่ขนวัวนี่มีเป็นสิบเป็นร้อยอันนี้ก็เหมือนกันผู้ที่สวงหาความสุขแบบผู้คลองเรือนนี่มีมากกว่าผู้ที่สวงหาความสุขแบบนักบวชก็ดูว่า ดูประชากรของประเทศไทยมีกี่ล้านเจ็ดสิบล้านคนเป็นนักบวชกี่คนฮะช่วงออกพรรษาก็ประมาณสองแสนถ้าเข้าพรรษาก็ขึ้นไปถึงสามแสนสี่แสนแต่พอออกพรรษาสามเดือนก็ลดลงมาเหลือแค่สองแสนเห็นผู้ที่อยู่เป็นนักบวชที่ยาวนานก็มีแค่สองแสนนั้นเอง แล้วในบรรดาสองแสนนี้ที่ปฏิบัติศีลสมาธิกันอย่างจริงจังนี้จะมีอีกสักเท่าไหร่เนี่ยพวกที่ไปทางบุญบังสังสวดอีกไม่รู้อีกเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าการที่จะเข้าหาความสุขระดับนักบวชนี้ไม่ใช่เป็นของง่ายเนี่ย ถ้าง่ายก็คงจะมีการมีคนไปบวชกันเยอะแยะไปหมดแล้วแต่มันเป็นของยากแต่มันเป็นของวิเศษของวิเศษมักจะเป็นของยากของง่ายนี้มักจะเป็นของไม่วิเศษกันในทางโลกก็เหมือนกันของอะไนที่ทำง่ายๆนี้มันมักจะราคาถูกของไหนที่ทำยากนี่ราคาแพง ไปดูโทรศัพท์มือถือเนี่ยมือถือที่มันทำยากๆนี่ราคามันจะแพงมือถือที่ทำง่ายๆนี่ราคามันจะถูกอันนี้ก็เหมือนกันความสุขของผู้ครองเรือนี้มันยากแต่มันสุดมันมันสุขกว่าความสุขที่ได้แบบง่ายๆฉันถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่ ดีที่สุดเราก็ต้องไปหาความสุขของนักบวชเพราะความสุขของนักบวชนี่มันจะไม่เสื่อมมันจะไม่หมดเนี่ยแต่ความสุขของผู้ครองเรือนนี่มันจะหมดตอนที่เวลาแก่หรือเวลาเจ็บหรือเวลาตายพอเวลาร่างกายแก่แล้วถึงแม้มีทรัพย์ก็ไม่มีกำลังที่จะไปใช้ทรัพย์ จะไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ไปเต้นแรงเต้นกาเหมือนสมัยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ทำไม่ได้อย่าไปกินเลี้ยงกินอะไรก็ร่างกายก็กินไม่ไหวความสุขทางคู่ครองเรือนี้มันมีขอบเขตมันอยู่ภายกรอบของร่างกายของความแก่ความเจ็บความตายเาจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ ตอนตอนน้นท่านก็หาความสุขแบบผู้คองเลือ <c oughs> แต่พอวันหนึ่งท่านได้ออกไปเที่ยวนอกวังพอไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นนักบวชมันก็ทำให้ท่านเห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตเห็นสัจสัจธรรมความจริงของความสุขของผู้คองเรือนว่ามันจะจบลงด้วยความทุกข์เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายนี่ มันจะไม่มีความสุขเหมือนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวตอนที่มีกำลังวังชาที่จะหาความสุขต่างๆได้แต่พอแก่พอเจ็บพอตายนี่หมดโอกาสก็ยังโชคดีที่ไปเห็นนักบวชเห็นนักบวชก็เลยเรีรู้จักว่ามีวิธีหาความสุขอีกแบบหนึ่งคือหาความสุขของแบบนักบวช แบบที่ไม่ต้องใช้เงินทองความสุขแบบนี้ดีกว่าต้องดีกว่าความสุขของของผู้คองเรือนก็เพราะว่าไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องอาศัยร่างกายมาให้ความสุขร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็ยังสามารถมีความสุขได้อยู่ถ้ารู้จักวิธีสร้างความสุขทางใจ ถ้ารู้จัก ร, รักษาศีลรู้จักทําใจให้สงบเป็นสมาธิถ้ารู้จักใช้ปัญญาทําให้ใจออรักษาความสงบว่าให้อยู่อย่างถาวรไดออ้ก็สามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่ก็ไม่สำคัญไม่ว่าจะสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง สิ้นเนื้อประดาตัวไปก็ไม่เดือดร้อนออความสุขของนัก บ, บวช ด, ดีตรงนี้แต่มันยากตรงที่ว่ากว่าจะได้นี้ลิ้นมันห้อยเพราะว่ามันเป็นการที่จะต้องตัดทุกสิ่งทุกตัดความสุขแบบเก่าไปออความสุขแบบเก่าการตัดความสุขแบบเก่าก็เหมือนกับการตัดการหาความสุขจากสิ่งเสพติดต่างๆ คนที่เคยเสพติดสุรานี้พอจะให้เลิกดื่มสุรานี้มันไม่ใช่เป็นของง่ายคนที่ติดบุหรี่จะให้หยุดสูบบุหรี่นี้ไม่ใช่ของง่ายคนที่ติดการเที่ยวจะให้หยุดเที่ยวนี้ไม่ได้เป็นของง่ายคนที่ติดกับการช้อปปิ้งนี้จะให้หยุดช้อปปิ้งนี้ไม่ใช่เป็นของง่าย คนที่ชอบซื้อของหรูหราของฟุ่มเฟือยซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้าซื้อเพชรมินจินดาซื้อสร้อยซื้อแหวนซื้อกำไลซื้ออะไรต่างๆตวงนี้ถ้าให้หยุดซื้อนี่เหมือนจะทำให้ตายพอไม่ได้ซื้อแล้วมันใจมันสั่นไปหมดไม่มีความสุขหุดหิดลำคาญใจขึ้นมาจึงเลิกยาก เนี่ยมันยากตรงที่ว่าต้องเลิกของเก่าของเก่าเลิกของเก่าก็ยากแล้วแล้วไปสร้างของใหม่ก็ยากเหมือนกันเพราะของใหม่เป็นของที่เราไม่เคยสร้างมาก่อนให้ไปรักษาศีลก็ยากเพราะเรามันไม่ค่อยชอบรักษาศีลกันปกติเราชอบอิสระอยากจะพูดอะไรก็พูดพูดปดก็พูดไม่พูดคำหยาบก็พูดพูดโพเจอก็พูด มันเป็นนิสัยของผู้คองเรือนพอจะให้มาฝึกนิสัยของนักบวชมันก็เลยยากยากเพราะหนึ่งต้องเปลี่ยนนิสัยเดิมเล้วเลิกนิสัยเดิมแล้วก็มาสร้างนิสัยใหม่มันถึงยากสองเท่ายังมีคนน้อยมากที่มาหาความสุขแบบนักบวชกัน ส่วนใหญ่จะหาความสุขแบบผู้คลองเรือนกันแล้วก็มาทุกข์ในบ้านปลายของชีวิตไปดูคนแก่ตามโรงพยาบาลคนเจ็บไข้ได้ป่วยตามโรงพยาบาลถามเขาว่ามีความสุขไหมไปถามเขาเดี๋ยวเขาจะได้ด่าว น, า น, นี่เป็นสิ่งที่ผู้ที่สว่างหาความสุขควรที่จะมาพิจารณากัน ว่าการสสแสวงหาความสุขของเรานี้มันจะเป็นไปได้ตลอดเวลาหรือไม่หรือมันจะเจออุปสรรคเวลาที่ขาดเงินขาดทองหรือเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายไปถ้ารู้ว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่จะมีปัญหาตามมา ตอนนี้ยังไม่สายเกินแก้น่ตอนนี้ยังสามารถที่ไปฝึกอาหาความสุขแบบนักบวชได้ยังไม่ต้องบวชตอนต้นนี้ยังไม่ต้องบวชให้ไปทดลองวันสงวันก่อนก็ได้เอย่างญาติโยมที่มานุ่งขาวห่มขาวเนี่ยกําลังมาหัดเป็นนักบวชกันแต่แต่ไม่ได้ไม่รู้ว่ามานี้เพราะอยากจะเป็นนักบวชหรือเปล่า เพราะส่วนใหญ่มักจะมาแก้บนกันนั้มากกว่ามาแก้บนนื้อมาหลบหนีความทุกข์ที่เกิดจากการผิดพลาดทางการดำเนินชีวิต เ, เกิดการสูญเสียขาดแคลนสิ่งที่เคยให้ความสุขไปพออยู่เฉยๆไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้มาให้ความสุขก็เกิดความทุกข์ใจ ก็มีการแนะนำว่าให้ไปอยู่วัดก็แล้วกันไปไปรักษาใจเหมือนโรงพยาบาลไม่ได้มาแบบที่อยากจะมาทดลองอยู่แบบนักบวชแต่มาเพราะเหมือนถูกเหตุการณ์บังคับให้มากันมาเพื่อที่จะได้มาลดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้มันน้อยลงไปหรือให้มันหมดไป พอความทุกข์หมดก็จะกลับแล้วไม่อยู่ต่อแล้วไม่ได้ไม่ได้คิดว่าอยากจะมาหาความสุขแบบนักบวชไปตลอดพอหายทุกข์แล้วทีนี้ก็ลืมความทุกข์ที่เกิดจากการเป็นผู้ครองเรือนนะก็กลับไปอยู่แบบผู้คองเรือนใหม่แล้วรอให้ทุกข์ข่าวใหม่แล้วค่อยกลับมาใหม่มีน้อยพวกที่เขาตั้งใจจะมาวัดเพื่อมาฝึกหัด มาอยู่แบบนักบวชจริงๆมีเป้าหมายว่าต่อไปจะต้องต้องบวชต้องอยู่แบบนักบวชให้ได้แต่ในตอนต้นนี้ยังไม่สามารถทำได้แบบปรกปรับเพราะใจยังไม่พร้อมกำลังยังไม่มากพอที่จะมาอยู่แบบนักบวชได้กำลังยังไม่มากพอที่จะไปตัดการอยู่แบบคารวะได้แบบผู้คลองเรือนได้ก็เลยต้อง มาซ้อมก่อนมาหัดก่อนเดืนินพระพุทธเจ้าสอนว่าให้มาหัดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ยังดีเริ่มต้นวันพระนี่ท่านให้เป็นวันให้คารวาะมาหัดอยู่วัดเพื่อมาฝึกเป็นนักบวชสักหนึ่งวันมาอยู่วัดมาถือศีลแปดศีลแปดนี่ศีลของนักบวชศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยิบเจ็ดนี่มาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานะ ให้ยุติการหาความสุขที่ใช้ร่างกายใช้เงินทองใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใช้คนนั้นคนนี้สินแปดนี้จะห้ามหมดเลยการหาความสุขแบบเก่านี้ใช้ไม่ได้ถ้ายังหาถ้าก็ยหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับแฟนพอมาถือสินแปกก็ร่วมหลับนอนกับแฟนไม่ได้สินข้อสามก็เปลี่ยนจากจาก การเมสุมิชขาจาราเวรมณีการประพฤติไม่ถูกต้องตามประเพณีให้มาถือศีลพรหมจรรย์คือของผู้ที่ไม่ร่วมหลับนอนกันข้อสามก็เปลี่ยนเป็นการไม่ร่วมหลับนอนกับใครแม้แต่เป็นคู่ครองก็ไม่ร่วมหลับนอนกันเพราะจะเอาเวลามาปฏิบัติสมาธิปัญญา เพื่อให้เกิดความสงบนั่นเองเอก็เลยต้องหยุดกิจกรรมทางร่างกายไปร่วมลับนอนกันก็ไม่ได้รับประทานอาหารมากเกินไปก็ไม่ได้ให้รับประทานพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอรับประทานแค่เที่ยงวันก็เหลือเฟือแล้วรับเราได้ร่างกายไม่ตายร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วย เพื่อที่จะได้มีเวลาว่างหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการรับประทานอะไรอีกต่อไปจะได้เอาเวลามาฝึกนั่งสมาธิได้แล้วก็ให้ระ ง, งับการหาความสุขทางมหัศศพบันเทิงต่างๆดูหนังฟังเพลงร้องลํำทำเพลงไปเที่ยวเต่ตามสถานที่ต่างๆละเว้นจากการเสริมสวยความงามแต่งเนื้อแต่งตัว นะเพราะว่ามันจะเสียเวลามากมันจะทําให้ไม่มีเวลามามานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมนั่นเองเวลานอนก็ให้นอนบนไม้บนพื้นแข็งๆแงม่นอนบนฟูกหนาๆเพราะมันจะสบายเกินไปถ้าสบายแล้วมันจะนอนมากถ้ามันไม่สบายมันจะนอนน้อยร่างกายเวลามันง่วงนอนมันนอนได้ไม่ว่าจะเป็นฟูกหรือเป็นไม้พื้นแข็ง แต่เวลามันตื่นขึ้นมาถ้านอนบนฟูกนหนานๆะมันอยากจะนอนต่อเพราะมันสบายแต่ถ้ามันนอนบนไม้แข็งๆบนพื้นแข็งๆนี่มันจะไม่อยากจะนอนพอร่างกายได้พักผ่อนพอก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมาปฏิบัติธรรมต่อได้มานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมสลับกันไป ก็จะทำให้สามารถเข้าสู่ความสงบได้เข้าสู่ความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายต่อไปร่างกายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถทำใจให้สงบได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนนอนอยู่ก็ทำได้แต่ขณะที่ฝึกหัดนี้ไม่ควรใช้ท่านอนเพราะาท่านอนจะทำให้ง่วงจะทำให้หลับแต่ถ้าเราฝึกสติจน มีกำลังมากสามารถทำใจให้สงบได้แล้วไม่ว่าจะอยู่ท่านอนหรือไม่ก็ตามมันก็จะไม่หลับนะถ้ามีสติที่มีกำลังมากแต่ในตอนต้นนี้สติยังมีกำลังน้อยอยู่ก็ให้หัดทำในท่าอื่นคือท่านั่งท่าเดินท่ายืนแต่อย่าไปทำในท่านอนนี่ก็เป็นวิธีที่จะทำให้เกิดความสุข แบบของนักบวชความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องมีทรัพย์ไม่ต้องใช้ทรัพย์ไม่ต้องไปมีหนี้มีศินไม่ต้องไปมีปัญหาต่างๆกับร่างกายร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็สามารถมีความสุขได้มีความสุขที่เกิดจากความสงบได้เพราะความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ใช้ศีลใช้สมาธิ ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้ร่างกายไม่ได้ใช้เงินทองไม่ได้ใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ใช้คนนั้นคนนี้ก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่ไม่มีอะไรเลยเวลาสิ้นเนื้อประดาวตัวก็ไม่เดือดร้อนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่บนเตียงคนเดียวก็ไม่เดือดร้อนอาสามารถมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการมีเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านเสียอีก นี่คือทำไมจึงจึงมีนักบวชกันเพราะว่าการได้ความสุขของนักบวชนี่แหละเป็นสุดยอดของความสุขพระพุทธเจ้าเห็นไหมก่เยเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นราชโอรสยังสละราชสมบัติได้เลยเพราะเห็นว่าความสุขทางร่างกายนี้ต่อไปมันจะหาไม่ได้ต่อไปมันจะมีแต่ความทุกข์ ก็ลายยอมสละความสุขแบบเก่าไปความสุขท า, ทางทางทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็มุ่งไปหาความสุขของนักบวช ด, ด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพอได้ปฏิบัติได้ทำความภาคเพียนแบบไม่หยุดไม่หย่อนไม่ท้อไม่ถอยในที่สุดก็ได้ความสุขสุ ด, ดระดับสุดยอด ระดับที่ถาวรระดับที่ไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้สมัยที่ทรงศึกษาปฏิบัติกับอาจารย์รูปต่างๆก็สอนได้เพียงแต่ความสุขแบบชั่วคราวคือความสุขแบบสมาธิแต่ไม่มีใครสามารถสอนความสุขแบบปัญญาได้ความสุขแบบปัญญานี่เป็นความสุขที่สุดยอดเพราะไม่มีใครมีปัญญาที่จะ ทำให้จิตเข้าสู่ความสุขระดับสุดยอดนี้ได้เพราะไม่รู้ว่าปัญญานี้คืออะไรนั่นเอง mm. มีเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะสั ม, มณโคโดมนี่แหละเป็นผู้ที่ค้นคว้าหาได้ด้วยตนเอง mm. เพราะไปศึกษาจากใครก็ไม่มีใครรู้ mm. ก็เลยต้องค้นหาด้วยตัวเองในที่สุดก็ส่งพบพระอริยาาสัจสี่นี่คือปัญญา ส่งคนพบไตรลักษณ์อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาผู้ใดมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจสีผู้นั้นก็จะสามารถเข้าสู่ความสุขระดับสุขสูงสุดได้ระดับสุดยอดได้คือพะนิพานออพอพระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบแล้วพอนามาสอนคนอื่นก็แสนจะง่ายแสนจะสบายไม่ต้องไปค้นหาเองเออ ปัญญาระดับนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนนี้คนอื่นไม่มีความสามารถที่จะค้นพบได้ด้วยตนเองต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกเท่านั้นถึงจะสามารถใช้ปัญญาอันนี้มาสร้างความสุขระดับสูงสุดได้ถึงแม้สมัยนี้จะมีคําสอนอยู่ก็ยังหาคนที่จะมาเอาปัญญานี้มาใช้ให้เกิดความสุขระดับสูงสุดได้ะ เพราะว่าความสามารถอาจจะไม่ถึงสมองยังชื่ออยู่ยังไม่ฉลาดพอแต่ถ้ามีความเพียรพยายามมาฝึกคิดพิจารณาทางปัญญาอยู่เรื่อยๆต่อไปก็จะฉลาดได้ต่อไปก็จะสามารถเอาปัญญาที่พระเจ้าได้ส่งค้นพบนี้มาสร้างความสุขระดับสูงสุดได้พระเจ้าก็รับประกันว่าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปี สามารถที่จะเข้าถึงความสุขที่ระดับสูงสุดได้ถ้ามีความเพียรพยายามไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้ถ้าหยุดเมื่อไหร่ยอมแพ้เมื่อไหร่ก็จะไม่สามารถเข้าถึงได้นี่คือเรื่องของความสุขของผู้ของนักบวชเป็นความสุขที่สูงสุดยอดแต่ก็เป็นความสุขที่ยากกว่าความสุขของผู้ของเรือน ความสุขของผู้คองเรือนนี่ง่ายหาเงินปุ๊บก็มีความสุขได้มีเงินปั๊บก็ไปใช้ได้แต่มันเป็นความสุขไม่จีรังเท่านั้นเองพอเงินหมดความทุกข์ก็ความสุขก็หมดความทุกข์ก็เข้ามาถ้าไม่อยากจะหาความสุขแบบนี้ก็ต้องลองมาหาความสุขแบบนักบวชลองมาอยู่วัดกันมาหัดกันเวลาวันไหนว่าง ไม่ต้องทำมาหากินไม่มีภารกิจกับใครก็ไปอยู่วัดไปฝึกไปทำความสงบแบบนี้กันไปหาความสุขแบบนักบวชกันถ้ามันทำอยู่เรื่อยๆต่อไปมันก็จะได้ผลเพราะมันเป็นเหมือนกับการหัดทำอะไรนี่แหละหัดขี่จั ก, กรยานหัดว่ายน้าหัดขับรถใหม่ๆมันก็ทำยากพอหัดไปทำเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชนานาญเองเดี๋ยวก็คล่องแคล่วว่องไว นี่คือเรื่องของความสุขที่มนุษย์เราหากันมีอยู่สองรูปแบบด้วยกันแบบผู้คองเรือนและแบบนักบวชก็ขอให้เรานำเอาไปพิจารณาว่าจะเลือกอย่างไหนเพราะเราจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติไม่มีใครปฏิบัติให้กับเราได้การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะธาวาเรวหาปุราเปริกปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตจินนางเปตานังอุปปักปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิจัตุสัเพปุเรนตูสังกปา จันโทปะนาราโสยทามณีโชติอราโสยทาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโควินาตโต มาเตภวตวันตาราโยสุขีทีขายุโกผวะอภิวาฒนสีลิตสานิจังวุธาปจายโนจตารโหธรรมมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ <c oughs> วันนี้ทางเฟ e b o o k เข้ามาสามร้อยเก้าสิบเจ็ดยสองร้อยเก้าสิบหกวิทยุออนไลน์ยี่สิบเก้ารับฟังข้างบนนี้สามสิบสามคนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยห้าสิบห้าครับรู้สึกวันธรรมดาจะมากกับวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์คงจะพักไปเที่ยวกันบ้างไปทำอะไรกัน คำถามจากทาง Facebook ครับปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันและวันพระจะไปฟังเทศฟังธรรมสวด ม, มนต์ในวัดค่ะแต่พอขึ้นบทสวดจุดเทียนชัยทำไมขนลุกสู้ทั้งตัวเจ้าคะ่ะเป็นอย่างนี้ประจำก็เป็นปฏิกิริยาของจิตใจเราท่นเองไม่มีอะไรต้องไปกังวลก็รู้ตามความเป็นจริงหรือว่าเหมือนกับใครมาจี้ที่ g t ทีเอก็กหัวเราะคิดคักขึ้นมามันก็แบบเดียวกันนะมันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายของจิตใจต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งคำถามต่อไปจากผู้ฝักถามเรามีลูกที่ไม่มีความคิดที่เหมาะสมกับวัยคิดแต่จะหาความรักจากเพศตรงข้ามไม่ทำหน้าที่ของนักเรียนปล่อยตามใจตนเองตลอดเวลา เราจะทำอย่างไรถึงจะทำให้เขารู้ว่าเขาควรทำตัวอย่างไรเจ้าคะ่ะส่งไปอยู่โรงเรียนดับสันดานนะี่ไปอยู่โรงเรียนกินนอนโรงเรียนที่เขามีการควบคุมบังคับให้ทำกิจกรรมตามเวล า, วลาคำถามต่อไปจากคุณปายอยากดับไฟแค้นในใจพยายามจะลืมก็ทำไม่ได้คะ่ะมันเป็นไฟเผาใจมากต้องทาอย่างไรเจ้าคะ อ๋อก็มีหลายวิธีวิธีนึงก็บอกว่ามันผ่านไปแล้วไปคิดมันให้เจ็บใจทําไมอย่าไปคิดถึงมันเวลาคิดก็ใช้การสวดมนต์หรือใช้พุทโธดึงไว้อย่าให้มันไปคิดเพราะเรามันจะคิดทุกครั้งเราหยุดให้มันคิดได้ต่อไปเราก็จะเลย ม, มันไปอันนี้เป็นการแก้ด้วยการใช้สติ วิธีที่จะแก้ด้วยปัญญาก็คือเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะทำอะไรเราไปห้ามเขาไม่ได้ใครจะดีกับเราใครจะร้ายกับเราเราไปห้ามเขาไม่ได้ก็ขอให้คิดว่ามันอยู่ในโลกนี้มันก็ต้องเจอสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างสิ่งที่สิ่งที่จะทำให้เราอยู่อย่างสบายใจได้ก็คือใจเราต้องมีอุบเบกขา ใจเราต้องวางเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆต้องฝึกสมาธิบ่อยๆต้องฝึกสติบ่อยๆตอนนี้ใจเรามันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะไม่เสถียรนะคือไม่นิ่งพูดง่ายๆค่อนข้างที่จะมีปฏิกิริยาไวต่อสิ่งที่มากระทบ ควบคุมบังคับไม่ให้มันมีปฏิกิริยายไม่ได้เราต้องมาสร้างสติขึ้นมาเพื่อทำให้ใจนี้ไม่มีการตอบโต้ไม่มีการปฏิกิริยากับเหตุการณ์ต่างๆคำถามต่อไปจากคุณกดจพ์การเอาใจของเราไปไว้กับการมองอากาศสายลมใจจับอยู่ตรงนั้น หัวจะว่างจากความสับสายไปมาเหมือนปล่อยใจไว้กับสายลมแบบนี้ผิดไหมเจ้าคะกลายเป็นการยึดติดในสายลมในอากาศหรือเปล่าเจ้าคะมันเหมือนหรือต่าง ก, กันกับที่เรามองดูตัวเองในการกระทำปัจจุบันให้รู้ทันทั่วพร้อมเหมือนกันสองแบบนี้เหมือนกันไหมเจ้าคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณทาดูคุณทาเองไม่รู้แล้วมาถามเรามาราันจะรู้เลย ถ้าถามเราว่าเราทําหรือเปล่าเราไม่ทําทั้งสองอย่างมันไม่เกิดประโยชน์นะสิ่งที่เราต้องทําในขณะนี้ก็คือดึงใจให้อยู่กับอารมณ์เดียวอย่าปล่อยให้มันลอยไปอย่าไปให้มันไปรู้นั่นรู้นี่เพราะใจเรามันยังไม่มีกําลังที่จะไปควบคุมตัวมันเองได้ดังั้นดึงให้มันมาอยู่กับอารมณ์เดียวดีกว่าให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธเอ ให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วต่อไปใจมันจะมีกําลังที่จะควบคุมตัวมันเองได้คําถามต่อไปจากผู้ฝากถามเวลาดูจิต mm hmm. เห็นความคิดแล้วเราเข้าไปแทรกแซงเพื่อให้หยุดคิดแล้วต้องดูอย่างไรเจ้าคะ่ะถึงจะถูกต้องอาก็หยุดคิดไงให้ดูอย่างไร วิธีจะหยุดคิดก็พุทธโธพุทธโธไปพอเห็นมันคิดล้วก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดถ้ามันยังคิดอยู่ก็แสดงว่าใช้ไม่ได้เห็นจิตคิดเห็นจิตคิดก็ต้องหยุดคิดเหมือนเห็นเด็กทำอะไรก็ต้องให้เด็กหยุดทํะคำถามต่อไปจากคุณสุขสรรกรณีที่เราอยากบวช แต่ยังมีแม่ต้องเลี้ยงต้องทำอย่างไรครับก็ตอบไปแล้วเมวื่อวานนี้ก็เอาไปบวช ด, ด้วยสิก็จะได้ไม่บวชก็เลี้ยงได้พระพุทธเจ้าอนุ ญ, ญาตให้พระเอาอาหารที่ได้จากบิณฑบาตไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้คำถามต่อไปจากคุณรุ่งทิวาลูกใส่บาตรเป็นประจำทุกวัน แต่ใส่เป็นปัจจัยไม่ได้ใส่เป็นอาหาร mm hmm. แต่มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านทักว่าใส่ปัจจัยมันจะเป็นบาปลูกทำถูกหรือผิดเจ้าคะพระบางบางวัดเนี่ยเขาไม่รับเงินทองเอาเงินทองใส่บาตรไปไม่ได้ถ้าพระรับก็ถือว่าพระทำผิดศีลข้อห้ามไม่ให้รับเงินทองแทน เวลาใส่บาตรนี้ตามธรรมเนียมก็ใส่อาหารข้าวหวานถ้าอยากจะให้เงินทองก็ต้องให้กับลูกศิษย์ฝากกับลูกศิษย์ที่เดินตามมาแล้วบอกพระให้รู้ไว้ว่าได้ถวายเงินฝากไว้กับลูกศิษย์อย่าไปฝากไว้เฉยๆโดยไม่บอกเดี๋ยวลูกศิษย์ไม่บอกพระพระก็ไม่รู้ลูกศิษย์ก็อาจจะเก็บเอาไว้ใช้เองก็ได้ เงินถ้าอยากจะถวายเงินทองสําหรับพระที่ไม่จับต้องเงินทองก็ต้องฝากเขาไว้กับลูกศิษย์แล้วก็บอกพระให้ทราบว่าได้ถวายเงินฝากลูกศิษย์คนนั้นคนนี้ไว้เออเพื่อพระเวลาต้องการเงินต้องการให้ต้องการซื้ออะไรก็จะได้ให้ลูกศิษย์เอาเงินที่โยมฝากไว้นี้ไปซื้อต่อได้คําถามต่อไปจากคุณรัชนีคุณพ่อมักมีความเคยชินกับการเปิดทีวีทั้งวันทั้งคืน เคยถามว่าทำไมไม่ปิดในเวลานอนได้คำตอบว่าถ้าไม่เปิดจะนอนไม่หลับหนูเป็นห่วงพ่อเพราะอายุเยอะแล้วหากคุณพ่อมีพฤติกรรมอย่างนี้ถ้าเกิดหมดอายุจะมีผลไหมคะหากผลไม่ดีในขณะนี้หนูควรทำอย่างไรดีเจ้าคะไม่มีหรอกก็เป็นยา น, นอนหลับของเขาเขานอนไม่หลับพอก็เปิดทีวีเขานอนหลับก็ให้ปล่อยก็เปิดไปดีกว่าให้เขานอนไม่หลับ นอนไม่หลับนี่ก็จะทำให้เขาทุกข์ไม่สบายถ้าก็นอนหลับเขาก็สบายเห็นก็ไม่เห็นมีเสียหายตรงไหนก็อยากจะเปิดมันก็เหมือนกับกินยานอนหลับดีกว่านะยานอนหลับซะอีกเพราะไม่ ม, ม, มีมีพิษมีภัยกับร่างกายคำถามต่อไปจากคุณจิตติมา ถวายอาหารพระด้วยเม น, นูหมูกระทะปิ้งย่างโดยให้พระนั่งล้อมวงปิ้งย่างกันเองควรม่ควรอย่างไรเจ้าคะและต้องทําอย่างไรให้เหมาะสมก็พระปรุงแต่งอาหารเองไม่ได้ไงเนื้ออาหารนี่ต้องเป็นอาหารที่สําเร็จตักใส่ปากได้ไม่ใช่ให้พระไปต้มซุ ก, กี้ยากี้แล้วก็ตักใส่ช่วยใส่ชามกินกันอันนี้มันเป็นการกินแบบคารวานะ กินแบบพระนี่ต้องเป็นอาหารที่เขาทำมาเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะบริโภคได้คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามผู้ที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์ท่านจำเป็นต้องมีมือถือไว้ใช้ไหมเจ้าคะเพราะสมัยนี้โลกโซเชียลมากเหลือเกิน ก็เพิ่งได้ยินวันนี้แหละว่าถ้าไม่มีมือถือแเราบรรลุไม่ได้ก็ดูพระพุทธเจ้าท่านมีมือถือหรือเปล่าภาษาวกต่างๆท่านมีมือถือหรือเปล่าแม้แต่กรูบาอาจารย์ท่านก็ไม่เห็นมีมือถือกันพวกที่มีมือถือแล้วบรรลุกันหรือเปล่าลองไปพิจารณาดูเอาก็แล้วกันคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามขออุบายการแก้การมราคาด้วยครับ ก็ต้องมันพิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายมองให้เห็นส่วนที่ไม่น่าเกลียดของร่างกายเช่นเห็นกระดูกเห็นโครงกระดูกของร่างกายเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้เห็นอุจจาร ะ, ะเห็นปัสสาวะอะไรอย่างนี้ของร่างกายมันก็จะทําให้การมาลาคะนี้ดับลงได้คําถามต่อไปจากผู้ไม่ประสองค์ออกนาม ถ้าลูกเคยกำหนดรักษาอาการปวดท้องของตนเองได้เคยปวดมานานในการข้างหน้ามันจะเสื่อมไหมเจ้าคะเพราะทุกอย่างดูมันไม่มีอะไรคงอยู่ได้เลยเจ้าค ะ, ะก็ทุกอย่างมันมันก็ต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดาร่างกายของไข่ก็รักษาได้ระดับหนึ่งพอถึงอีกระดับหนึ่งมันก็จะรักษาไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณวิโร์ วิญญาณกับเวทนามันคล้ายกันมากไหมครับความรู้กับความรู้สึกไม่หรอกความรู้สึกก็คือรู้สึกทุกข์รู้สึ ก, ไ ม, สกไม่ทุกขไม่ทุกข์อะไรต้นอันนี้เรียกว่าความเวทนาส่วนวิญญาณนี้เป็นการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยคนละเรื่องกันคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม การที่เราไปเพ่งโทษว่าผู้อื่นเขาเรียกว่าส่งจิตออกนอกใช่ไหมครับขอความเมตตาด้วยครับออมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการส่งจิตออกนอกแต่มันมีอีกหลายอย่างที่ถือว่าเป็นการส่งจิตออกนอกการไปคิดถึงพิซซ่าคิดถึงอาหารมันก็ส่งจิตออกนอกแล้วการไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผดพพะนี่ก็ถือว่าเป็นการส่งจิตออกนอกไม่ต้องไปเพ่งโทษใครก็ตาม คำถามต่อไปจากคุณนันทิดาถ้าเราใส่บาตรทุกวันแล้วบอกให้น้องหมาสาธุน้องหมาจะได้บุญด้วยไหมเจ้าคะถ้าเขารู้ว่าเขาสาธุอย่างไรอะไรถ้าเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้บุญหมดแล้วออคือการจะอนุโมทนาสาธุนี้เป็นวิธีสำหรับผู้ที่อาจจะ ไม่ยินดีกับการทำบุญของผู้อื่นพอเห็นผู้อื่นทาบุญแทนที่จะยินดีกับมีความรู้สึกไม่สบายใจวิธีแก้ความไม่สบายใจนี้ก็ให้แสดงความยินดีไปว่า เ, าเขาทำบุญเขาได้บุญเราวน่าจะดีใจไปกับเขาเขามีความสุขแต่บางคนนี่เสียดายเงินหัวเงินไม่ชอบให้คนเอาเงินไปทำบุญหรือทำบุญแบบบาง ทำกับพระนี่ก็อาจจะไม่ชอบแต่ถ้าทํากับหมาเขาอาจจะชอบพอเห็นไปทํากับพระเขาก็จะไม่อนุโมทนาบุญเขาอาจจะเกิดความรู้สึกต่อต้านอย่างเงี้ยวิธีที่จะดับการความรู้สึกเหล่านี้ก็ให้แสดงความยินดีสาธุไปกับการทําบุญของของผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่เรารัก ถ้าเราคิดว่าเขาทําแล้วเขามีความสุขก็ควรที่จะสนับสนุนเขาไม่ใช่ไปต่อต้านเขาอันนี้คือความหมายของการที่ให้เราร่วมอนุโมทนาบุญด้วยเพื่อสนับสนุนการมีความสุขของคนที่เรารู้จักคนที่เขาอทําบุญะถ้าเราไปบอกว่าอย่าทําเลยทําแล้วเสียเดี๋ยวดาเงานินเสียประโยชน์อะไร เขาอาจจะคว้วยเขว้ได้แล้วเขาก็า จ, จะไม่ได้บุญไม่ได้ความสุขยังไงอย่าไปขวางผู้ที่เขาทาบุญควรที่จะสนับสนุนผู้ที่ทําบุญควรจะไปขวางพวกที่ทําบาปมากกว่าแต่กับทองกันข้ามถ้าใครซื้อเล่ามากินโู้ลองกันใหญ่สาธุกันใหญ่เออันนี้ไม่ถูกอย่าไปอย่าไปอนุโมทนากับการ ทำในสิ่งที่ไม่ดีได้อนุโมทนากับการทำสิ่งที่ดีเพื่อจะได้เป็นกำลังใจของผู้ที่กระทำและก็จะทำให้เรามีความสุขร่วมไปกับการกระทำของเขาด้วยยังไม่มาใช่ไหม เ, เดี๋ยวพักเดี๋ยวใจของเรานี้บางทีชอบสร้างความทุกข์ให้กับเราเองพระพุทธเจ้าเลยต้องสอนวิธีแก้ การสร้างความทุกข์ของเราถ้าเราไปทุกข์กับการทำบุญของผู้อื่นเนี่ยเราก็ควรที่จะไปยินดีคิดที่ว่าเขามีความสุขแล้วเราไปทุกข์กับเขาทําไมเอเราควรจะมีความสุขไปกับเขาไม่ดีกว่าเหรืออันนี้เป็นตัวเป็นการอนุโมทนาบุญไม่ได้บุญเหมือนกับการที่ไปได้ไปทำบุญมันเป็นบุญคนละอย่างกันเป็นเหมือนยาคนละชนิดเนี่ย ยาแก้ปวดหัวกับยาแก้ปวดท้องนี่มันไม่ไมเหมือนกันการทำบุญนี่เหมือนกับแก้ความหิวของใจเวลาได้ทำบุญทำทานแล้วเกิดความอิ่มใจส่วนการอนุโมทนาบุญนี่แก้ความรู้สึกที่ไม่ดีต่อผู้ที่เขาทำบุญไม่เห็นด้วยไม่ยินดีด้วยก็เลยทำให้คกิความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาก็ควรที่จะแก้ด้วยการอนุโมทนาบุญ ก็คิดว่าถ้าเป็นความสุขของเขาก็ไม่น่าจะเสียหายแล้วไม่น่าจะไปต้องไปทุกข์กับเขาเขามีความสุขแล้วเราไปทุกข์กับเขาทำไมใช่ไม้มเราน่าจะมีความสุขกับเขาไม่ดีกว่าเลยอันนี้คือคาการอนุโมทนาบุญคำถามจากผู้ฝากถามครับสามีเป็นผู้ไม่เชื่อคำสอนพระพุทธเจ้า เราอยู่แล้วทุกข์มากจะทำอย่างไรเจ้าคะเพราะมาล้าเส้นศรัทธาของเราชัดเจน เ, ออเราก็เชื่อของเราไปสิเขาไม่เชื่อก็เรื่องของเขาก็าทำนั้นเองเป็นเรื่องของใครของมันไปเขาไม่เชื่อเราก็ไม่ว่าอะไรเขาเราก็เชื่อของเราต่อไปถ้าเรามีความเชื่อที่มั่นคงใครจะมาพูดอะไรมาทำอะไรมันก็มาล้มล้างความเชื่อเราไม่ได้ เราอย่าไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นะก็คิดว่าเขาเป็นคนไม่มีศาสนาก็แล้วกันหรือเขาอาจจะสะมีนับถือลัทธิอย่างอื่นก็เรื่องของเขาไปต่างคนต่างมีสิทธิที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อได้เราเชื่อของเราเราก็เชื่อของเราไปเขาไม่เชื่อของเขาก็ปล่อยเขาไม่เชื่อไปก็จบไม่เห็นจะต้องมีปัญหาต่อกันคำถามต่อไปจากคุณกดจพ์ การนอนสมาธิแล้วเราเหมือนออกจากทางช่องหัวโผลออกมาเห็นตัวเองนอนอยู่มีจริงไหมคะหรือเราหลอกตัวเราเองก็ไม่รู้ละ่ะมันมีจริงหรือเปล่าคุณก็ต้องพิสูจน์ดูเลยก็เวลานอนหลับมันก็ฝันไปได้ต่างๆนันนะคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการที่เกิดมายากจนและเป็นทุกข์ จะแก้ไขอย่างไรเจ้าคะอะก็ต้องขยันทํางานขยันหาเงินขยันเก็บเงินอย่าขยันใช้เงินเดี๋ยวไม่นานเงินทองก็จะมีใช้เหลือใช้ก็จะมีความสุขขึ้นมาถ้าขี้เกียจหาเงินขยันใช้เงินก็ต้องทุกข์ไปเรื่อยๆต้องยากจนไปเรื่อยๆเพราะจะมีหนี้มีศินอยู่เรื่อยๆนั่นเองนี่ต้องพยายาม ข, ขยันหาเงินขี้เกียจใช้เงินแล้วรับรองได้ว่าไม่นานก็จะรวยเป็นศึกษาประวัติของมหาเศรษฐีในเมืองไทยเขามาจากเมืองจีนเขาก็มีเสือมาใบหมอนใบหนึ่งแต่พอเขามาทํามาค้าขายเขาก็ทําทุกวันปีหนึ่งเ็าหยุดแค่สองวันสามวันนั่นเองหยุดตุนจีนใช่ัหมนอกนั้นเปิดร้านตลอดเวลาไม่มีวันหยุดเนี่ย เขาจะไม่มีเวลาใช้เงินเลยมีแต่เวลาหาเงินเงินก็พอกคูนขึ้นมาทำให้เขาขยายสาขากิจการต่างๆได้เห็นไจนกระทั่งแพร่หลายไปทั่วประเทศเห็นหทั้งประเทศมีสาขาต่างๆนี่ก็เพราะว่าเขาขยันทำงานเขาขยันหาเงินแต่เขาขี้เกียจใช้เงินเขาก็เลยรวยเขาก็เลยมีความสุขไอ้เรานี่ขยันใช้เงินแต่ขี้เกียจหาเงิน เราก็เลยยากจนเราก็เลยมีแต่ความทุกข์เนี่ยยังไม่มาเลยเดีย๋ยวรออีกสักสองสามนาทีถ้าไม่มาก็คิดว่าจะได้จะได้จบคงจะอิ่มตัวแล้วมั้งถามมาใจากระทั่งไม่รู้จะถามอะไรนะ คำถามจากคุณแมนการสัมผัสจิตที่สงบอย่างเราคารบนึกถึงพระผู้เจริญอย่างนั้นการที่ทําบ่อยๆอาจกล่าวได้ว่าเป็นสังขานุสติหรือไม่อย่างไรครับก็ได้สังขานุสติก็คือผู้ที่มีความสงบพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็ระลึกถึงพระคุณของท่านสุปฏิปันโน สาวกสังโคอะไรไปหรือสังโคสังโคไปก็จะระ ง, งับความคิดปรุงแต่งของเราแล้วใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้คำถามต่อไปจากคุณพิเชษฟังธรรมที่ท่านพระอาจารย์แสดงแล้วรู้สึกปัญหาทางใจได้รับการแก้ไข ทุกน้อยลงใจเย็นขึ้นแต่ไม่ถึงกับละกิเลสได้หมดแต่มันระงับไว้ชั่วคราวอย่างนี้เรียกว่าได้ปัญญาจากการฟังหรือคิดตามใช่ไหมครับใช่แต่มันยังไม่ถาวรต้องพยายามฟังบ่อยๆแล้วเอามาคิดตามบ่อยๆจนมันฝังอยู่ในใจแล้วมันจะคอยกำจัดความทุกข์ต่างๆที่โผล่ขึ้นมาได้ต่อไปความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปหมด คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเพื่อนไม่มีญาติบางทีหดหูกับชีวิตมากเลยเจ้าค่ะจะมีวิธีแก้ไขในปัจจุบันนี้ได้บ้างไหมเจ้าค่ะก็หดหูเพราะความอยากอย่างมีญาติอย่างมีเพื่อนแต่เมื่อไม่มีมันก็ทำให้รู้สึกหดหูเศร้าหมองออไปก็ต้องหยุดความอยากนี้ต้องทําใจให้สงบต้องฝึกสมาธิฝึกสติอย่านั่งคิดถึง ถึงความที่เราอยู่คนเดียวหรืออยากจะให้มีคนนั้นคนนี้มาอยู่ด้วยมันจะทำให้เราเศร้าหยุดคิดหยุดคิดได้เดี๋ยวใจก็จะสงบเราจะลืมเรื่องเรื่องที่ทำให้เราเศรา้าแล้วใจของเราก็จะมีความสุขกลับจะดีใจที่ว่าอยู่คนเดียวนี่แสนจะสบายไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องทุกข์กับใครคำถามต่อไปจากคุณวิโรธ การที่เราเอาเงินใส่ในย่ามเป็นไรไหมครับจะอาบัติไหมครับก็แล้วแต่พระว่าท่านรับหรือไม่รับท่านรับเพราะว่าพระเดี๋ยวนี้มีสองสองแบบพระแบบรับเงินกับพระแบบไม่รับเงินถ้าพระแบบรับเงินท่านก็รับได้พระแบบไม่รับเงินท่านก็บอกว่ารับไม่ได้ต้องฝากลูกศิษย์ไว้ แต่คนให้ไม่บาปหรอกคนให้ได้บุญทำบุญแต่นคนรับอาจจะไม่ทำถูกกฎระเบียบที่ตนเองต้องรักษาเท่านั้นเองหมดแล้วเลยเหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ